วน น, นั่งเพื่อทดสอบสภาวะที่สติตั้งมัน่นดูว่าสติตั้งมั่นเป็นยังไงตาหลับก็แสดงว่ามันไม่ตั้งมัน่นง่ายๆนะไม่ต้องคิดตรงใจเยอะหลับก็คือมันไม่ได้ตั้งมัน่น สติตี่ตั้งมั่นันเป็นยังไงสติที่ตั้งมั่นก็คือว่ามันมีลมหายใจเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระสายแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นมาจิตมันไม่เอามันปล่อยอารมณ์เหล่านั้นไปให้มันเริ่มต้นติ้งสติตั้งมั่นก่อนสติตั้งมั่นเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจะเริ่มได้ตไกรถงสัยสภาวะตรงนี้ก็ เตรียมเตรียมตั้งคาถามไปนะแต่ไม่ค่อยตั้งคาถามหรอกคืออย่างที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยบางทีมันก็เริ่มต้นด้วยสติตั้งมัน่นบางครั้งพอเรานั่งทำหน้าที่กันมาเยอะบางครั้งเราเริ่มต้นด้วยสติตั้งมั่นบางครั้งเราก็เริ่มต้นด้วยสติที่อ่อนแอส่วนทุกครั้งที่เราเคลิมทุกครั้งที่เรานั่งไปแล้วเคลิ้มะมันเริ่มต้นด้วยสติที่อ่อนแอ แต่ว่าบางคนก็นั่งไปแล้วมันไม่ไม่ไม่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยสติที่อ่อนแอแต่ว่ามันไม่ไดเ้เริ่มต้นด้วยสติที่ตั้งมัน่นเพราะว่ามันพุ้งอารมณ์มันเยอะพอจิตมันเริ่มจะรวมเข้ามาสู่ความเป็นอารมณ์อันหนึ่งเคลิมเลยมันนั่งไปใหม่ๆนี่มันฟุ้งซ่านนะุ้งซ่านพุงฟุ้งฟุงจนจิตมันเหนื่อยมันหนัก เดี๋ยวเราอดทนราพยานามเรานั่งไปนั่งไปนั่งไปจนกระทั่งจิตมันรวมคือมันไม่ฟุ้งแล้วมันจะเข้ามาถูกเรามาใจอารมณ์เยวหลับเลยมันเหมือนเหนื่อยเหนนื่แล้วได้พักอมันเหมือนเหนือนเหนื่อยเหนแล้วกระโดดขึ้นเตียงนั่นแหละนี่เราก็ต้องไงเรานักภาวนาต้องไม่เอาอย่างนั้นมันเคลิ้มขึ้นมาเราก็รู้แล้วนี่นะเรานั่งมาขนาดนี้เราจะรู้แล้วว่า ตรงไหนที่ถีมันนิทะมันจะเริ่มก่อขึ้นมาตรงไหนที่มันเริ่มก่อขึ้นมาอืมว่าเวลามีถีนมิตะคือความม่วงเริ่มก่อขึ้นมาอย่าไปอวดเก่งสู้ดูกับมันนะอืมให้มันตื่นออกมาก่อนทําไมเป็นไรแล้วความม่วงก็คือสภาวะฉันจะจ้องดูรู้อยู่กับมันดิเป็นยังไงดูไปดูไปขอก็ก็วัวก็ก้มลงกลมลง อย่างอื่นได้ความง่วงอย่าไปท้าทายมันนะเรอกเว่าความง่วงมันก็คือสภาวะใช่ไหมแ้วเราก็ดูมันอ่ะเออเราก็ดูมันเรามันเก่งอ่ะดูมันที่ดูมันที่ดูมันทีอย่างมากก็ตีเนียนหลับแบบตีเนียนหลับแบบไม่กล่นแบบดูปกติมากแล้วความง่วงนี่อย่าไปอวดดีกับมัน เพามาเกิดเพราะว่ามันมีสองอย่างทั้งเหตุภายนอกและเหตุภายในเหตุภายนอกคือบางทีร่างกายเราเหนื่อยอืมร่างกายร่างละ้ะบางทีมันอิ่มอะ่ะเชา้ชาๆเมื่อมันอิม่มท้องมันตึงตามมันก็หย่อนมันมาแรงเราก็ต้องแต่ว่าให้ตื่นก่อนตื่นคือตั้งใจให้ตรงเสียแล้วมันมีวิธีหนึ่งนะถ้าเราตั้งใจที่จะชนะมันนะ เขาให้เอากขาเรียกอาโล ก, กัสัญญากำหนดแสง ส, สว่างเป็นอารมณ์ดูแสงสว่างแล้วเอาแสงสว่างนั้นมาเป็นอารมณ์ให้มันสว่างจนมันหายแล้วค่อยไปว่าอารมณ์หายใจต่อเพราะตัวทีนัมิทะเนี่ยมันจะต้องปราบด้วยอาโล ก, กัสัญญา อารกสัญญาเนี fancy, ่เป uh, ็นอุปการะต่ออาณาปานสติสมาธิทีนม no, no, voilà. okay. ิทะนี่เป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมมาธินะธรรมชาติเป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมาธิอุตตจักกุกุจักเป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมมาธิทีนวิทะก็เป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมาธิวิจิกิจาสงสัยลังเลก็เป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมาธิ อาณาปานสติสมาธิเนี่ยมันมีอันตรายเยอะแต่ว่าเราซื่อตรงต่ออาณาเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ประทุสร้ายตัวอาณาเองถ้าเราไปทําร้ายอาณาบ่อยๆอาณาของเรานะถูกเราทําร้ายบ่อยๆเราก็จะไม่มีอารมณ์กรรมฐานให้ให้เจริญแล้วนะอาณาปานสตินี่เป็นยอดของกรรมฐานอ อ, อย่าลืมมันเป็นกรรมฐาน เป็นกรรมฐานเดียวที่เข้าได้ทุกจริตใครที่มาบอกโอ้ยอาณาปานสติไม่ถูกจริตกับเราไอ้นี่ยใช่ไม่ได้อาณาปานสติถูกกับจริตทุกจริตไม่ว่าเราจะอยู่จริตอะไรหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่จริตไหนจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโบหะจริตวิตกจริตพุทธจริต ไม่ว่าจริตไหนเราสามารถที่จะเรียนอาณาได้หมดเลยเอ อ, อาณาปนานสติเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างยิ่งใหญ่มากกว่าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยปณิธานของการเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบรารมีแต่ละภพแต่ละชาติก็อยู่ได้ด้วยอาณาปานาสติแล้วก็ฝึกฝนอบรมจิตก็ด้วยอาณาปานาสติ จกนกระทังเวลามาตัตรู้ก็ตัตรู้ด้วยนาบปานาสติแล้วสอนกรรมฐานก็สอนอานาปานาสตินี่ปักเช้ากันว่ากันด้วยสติที่ตั้งมั่นนัน่น ว, ว่าเราไปปฏิบัติเองที่บ้านเราก็ใช้อย่างนี้เวลาไปที่บ้านน่ะตรวจสอบจิตตัวเองว่าให้มัน น้อมก็ไปเพื่อสู่ลมหายใจเป็นอารมณ์เดียวเแล้วไม่มีความฟุ้งซ่านทั้งอย่างนี้พอในระหว่างนั้นจิตไม่มีความฟุ้งซ่านใดๆไม่ไปคิดเรื่องน้นไม่ไปเรื่องนี้ไม่จมอยู่กับสิ่งนั้นไม่จมอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสัญญานั้นไม่มีสัญญานี้ไม่มีอารมณ์นั้นไม่มีอารมณ์นี้แล้วน้อมก็ไปหาลมหายใจทำทั้งอย่างนี้เพื่อให้สติมันตั้งมั่นก่อนแล้วก็รู้ลมหายใจไป พอมันรู้ลมหายใจอย่างนั้นชัดเจนดีได้แล้วก็ค่อยเข้าหาลมยาวทำอย่างนี้ถ้าสติตรวนี้ตั้งมั่นขึ้นมาถ้ารู้ลมด้วยสุวสติที่ตั้งมั่นดีมันจะพัฒนาขึ้นเร็วอืมเปเดินทางเข้าไปตรงนี้มันยังไม่เป็นสติปัฏฐานนะแค่การปฏิบัติสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานภาวนาจะเกิดก็น่นแหละเดี๋ยวตอนบ่ายจะพูดให้ฟัง พอสติปัฏฐานภาวนาเกิดแล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันจะต้องเริ่มต้นตรงนี้ต้องเริ่มต้นอย่างนี้พอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วมันยังจะเข้าถูสติปัฏฐานภาวนานะเป็นอนาตติปานาปานสติที่เข้าถสู่สติปัฏฐานภาวนาแล้วก็การปฏิบัติมันก็ให้มันถือว่ามันเป็นเรื่องจริงจังของชีวิตเรา ในชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจวันเราต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเคยพูดถึงฟังหลายครั้งเวลาเรามาอาการทำทีหนึ่งอ่ะเรามาเพื่ออะไรเพื่อฝึกฝนอบรมสติสมาธิและปัญญาสั่งสมไว้สาหรับที่จะไปใช้สำหรับที่จะไปใช่ออทีนี้ถ้ามันมาเดือนหนึ่งมาครั้งเดียวมันไม่พออยู่บ้านมันก็ต้องเอาด้วย <laughs> ใช่ไหม อยู่บ้านมังก็ต้องเอาด้วยยาเด็ดขาดเลยนะถ้าเราสติธรรมธิปัญญารอ่อนแออยู่ในโลกใบนี้เรียบร้อยอยู่โลกใบนี้เนี่ยสุดท้ายเราไปยงไงน่นเลยไปนั่งไหวคว้าไหวสบปูเขาว่าจอมปลวกคือจิตมันจะต้องหาที่พึ่งอย่างอื่นแล้วมันสู้โลกไม่ไหวไงเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาความปรารถนาของเราเนี่ย เราตั้งปรามปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนที่ปรารถนานี่ปรารถนาผลของสติสมธิและปัญญาทั้งสิ้นออที่เราปรารถนากันอยู่ทั้งหมดอ่ะให้เป็นคนมีกัดกิจการงานดีเห็นไหมให้มีบริวารดีมีเพื่อนดีมีสุขภาพร่างกายดีมีอะไรกันที่เราปรารถนาทั้งหมดอ่ะ ที่เราปรารถนาปรารถนากันอยู่ตายเล้วใหม่ไปนะรกไปสวรรค์หรือแม้กระทั่งเข้าสู่นิพพานทั้งหมดที่เราปรารถนาเราปรารถนาผลของสติสมาธิปัญญาทั้งนั้นเรียกว่าปรารถนาต่อผลของสัมมาสติผลของสัมมาสมาธิผลของสัมมาวยมามะแต่เราใช้ชีวิตด้วยดำเนินในเส้นทางที่ตรงกันข้าม กับสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายมะใช่ไหม เ, ออเราตรงกันข้ามเราทําเหตุที่ตรงกันข้ามกับผลที่เราปรารถนาเราก็ไม่ได้พอมันไม่ได้เราทําไงเหตุมันไม่ได้ทําให้ตรงกับผลที่เราปรารถนาเราก็จะต้องหาทางลัดใช่ไหมหาหาทางลัดแล้วไปเข้าห า, หาหาหลวงปู่หลวงพ่อนี่ก็ไปเพื่อหาพลังพิเศษไม่ใช่หาอะไร เพราะใครที่บอกว่าตัวเองสักดิ์สทธิ์มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์คนจะไปหาเยอะเพราะคนที่มันไร้ซึ่งสติสมาธิและปัญญามันมากนะแต่มันปรารถนาผลของสติผลของสมาธิผลของปัญญาและมันไม่ได้ดังผลนั้นนะเพราะมันการทำเหตุใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้กระทำเหตุให้เกิดสติสมาธิและปัญญาแต่ปรารถนาผลของสติสมาธิได้ปัญญา มันไม่ได้ปรารถนามันต้องทําไงมันก็ต้องไปหาสิ่งที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นบางที่ที่เขาปฏิบัติประกาศตนว่าปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีอิทธิรทธิมีอิทธิระ อ, อ, อ, อย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นทําวัตถุนั้นวัตถุนี้โปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าโตกาต่อไปเนี่ยสํานักควบคุมผู้บริโภคจะต้องเข้าจัดการแน่แน่ ในอนาคตนะแต่มันประกาศว่ารุ่นนี้ทีโชคลาบใครพกแล้วจะมีลาบไหลมาเทมาอะไรต่างๆเนี่ยไอ้โฆษณาเกินเกินไหมโอ้โหไมเกินขนาดนี้นะเดี <laughs> ด๋ยวยิงนอนซ็อกโกบอยต้องข้าไป ท, ทรสอบแต่คนจะต้องไปหาเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคนี้และยุคต่อไป ยุคที่ขาดการเจริญสติจะยิ่งทำให้คนหาเข้าไปนนขายออนไลน์ม่งขายยุะยแยะไปหมดเลยแล้วดูที่เนี่ยนะที่เขาเกิดกรณีต่างๆมันมากนะมันน่ากลัวแล้วเราอย่าเราอย่ า, เร า, ยาเราเป็นคนภาวนาอย่างนี้เราอย่าไปมองว่าโอ้โหทำไมเขาโง่อยงงั้นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันไปตามภูมิจิต ถ้าภูมิจิตอยู่ในระดับใดสติปัญญาอยู่ในระดับใดมันจะไปตามนั้นไม่งั้นเนีพวกขายพวกวัตถุบงคนออนไลน์มาขายแมลงคู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้เหรอขายยิ่งจกของเราเต็มบ้านอยู่ใช่ไหมตัวจริงๆเต็มบ้านอยู่อะถามเดียบกับอาจารย์อ ตีเขาขานะั่นสองหามแต่ใช้ต่อเอาใต่อไม่ใช่ดูด้วยสติปัญญาให้มันตรงๆเข้าไปนะเออแต่เขาปรารถนาอะไรสิ่งที่เขาปรารถนานั้นไม่ได้เกิดจากยิ่งโจกมันเกิดจากสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิและสัมมาวายมะมันไม่ได้เกิดจากยิ่งโจกเขาจะยัง เตียวดินมาแฟนคออ่ะ แ, แ, แล้วสัมมาสติสมมาสมาธิเกิดไหมไม่เกิดแต่เราปรารถนาอะไรปรารถนาผลของสัมมาสติสมาสมาธิและสัมมาผลของสมาวยมะและสุดท้ายเร า, ราเราไปหาจากอะไรเออถ้าเราเอาจะนับถืออะไรก็ตรงไปหาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ อย่าไปหาถึงความอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ถ้าเราเข้าไปสู่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เน่ยเราเสร็จเสร็จหมดอ่ะโลกนี้มันกินมันแล้วต่อไปมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการมาอาคารทำมมาเพื่อจะเรียสติเหมือนทรงทหารเข้าสู่สนามฝึกเข้าใจไหมมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะไอ้ตัวฝึกจริงๆคือตัวอะไรกายใจรูปนามนี้อยู่ที่บ้านเราก็ฝึกได้ แต่บางทีมันไม่สะดวกไนงะมันไม่สะดวกอาการทำก็จัดเป็นสถานที่เป็นสถานที่เพื่อให้คนได้เข้ามาคนที่ต้องการประสงค์จะปลีกกายปลีกใจออกจากบ้านจากช่องอยู่บ้านนะลูกมั่งผัวสามีมั่งบรรดาเอตรายามั่งหลานมั่งเพื่อนมั่งแล้วมันไ ม, ไม่ไม่นั่งแล้วไม่สนิทเนะ่ยเดี๋ยวกลัวเขาจะทวงหนี้มั่งอะไรมั่งอาการทำก็เป็นเหมือนสถานที่ที่ให้มัน ปลอดสารพิษสถานที่ที่ปลอดสิ่งอันเป็นพิษให้พวกเราได้ปลีกกายปรีกใจมานั่งเพื่อการจะเจริญสติฝึกฝนสติซึ่งมันเป็นกิจและเป็นหน้าที่ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เนี่ยต้องทําเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําถ้าเราไม่ทําสติสมาธิปัญญาของเราจะอ่อนแอแล้วเดี๋ยวนี้ดูที่คนอะดูที่มันฆ่ากันง่ายง่ายไหม ฆ่ากันง่ายมากทําไมมันฆ่ากันง่ายพอกระทบปั๊บมันถูกปรุงแต่งไปตามอารมณ์อันมีกําลังและกระทํากัมอันชั่วช้าง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ใช่ขาดหรอกมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมีสติอยู่แล้วมันไปขาดกระทันหันไม่ใช่ฮะเพราะอะไร เพราะไม่มีสติสมาธิและปัญญามีอ่อนมากอ้าวถ้าพูดอย่างนี้แล้วทำไมมันทำทุกอย่างได้มันก็ต้องทำความเข้าใจกันจริงๆแล้วเราใช้สติสมาธิปัญญาตลอดเวลาไหมตลอดเวลาจำไว้ทุกๆกิริยาทุกๆความคิดทุกๆการเคลื่อนไหวใช้สติสมาธิและปัญญาตลอดเวลาทุกครั้ง อา้าวถ้ามันไม่มีสติอ่ะมันทำไม่ได้นะถ้ามันไม่มีสมาธิมันก็ทำไม่ได้ธรรมะสมาธิคือความตั้งใจไม่มีความตั้งใจลงไปในกิริยาใดๆกิริยานันเกิดขึ้นมาเป็นกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสติตัว ส, สมาธิสมาธิมันจึงมีสองเรื่องไงคืออะไรสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิเส้นทางเขาชัดเจน ธรรมชาติของมิจฉาสมาธิกับมิจฉาสติเป็นเส้นทางที่ชัดเจนว่าให้ผู้นั้นดำเดินไปตามอํานาจของอาสวะและอวิชชาแล้วก็เพลิดเพลินยินดีเปรมปรีปรีดาอยู่กับผลผลิตของโบหะของโลภะยินดีอยู่กับผลผลิต ของราคะของโโบหะของโลภะแล้วก็พอใจที่จะไปเป็นอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วในขณะที่เป็นอย่างนั้นนะปรารถนาอะไรปรารถนาความสุขปรารถนาความสกุบไม่ปรารถนาความทุกเนี่ยปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุก ข, ข, ขแต่กระทําเหตุอะไรกระทําเหตุอันเป็นกระทำสิ่งซึ่งอันเป็นเหตุของความทุก แต่ตัวเองปรารถนาะความสุขแต่กระทาเหตุเองความทุกข์แต่ปรารถนาะความสุขมันขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันแต่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เจอเส้นทางเจอพระพุทธเจ้าเราต้องมาสร้างให้มันมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอาคารทําดีทุกโรดเราจึงมาฝึกอะไร ฝึกเจริญสติอย่างชานิดที่เรียกว่ามันถูกต้องอบรมแล้วมันเกิดเป็นสุปัฏฐิตาคือมันตั้งมั่นดีขึ้นที่จิตอบรมแล้วมันตั้งมั่นดีขึ้นที่จิตสำหรับไว้ทำไมไว้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอารมณ์หดหูห่อเหี่ยวหุดหิดพยาบาทอิจฉาริษยานินทาว่าไรา ทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิรู้ไว้เว้ยและถ้ามันเกิดบ่อยๆในชีวิตของเราเราตรวจสอบมันดูถ้าเราตรวจสอบมันแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าอากุศลมันเกิดขึ้นจะเริญขึ้นนั่นคืออะไรเราอยู่ในเส้นทางของสัมมาวายายมะเรากําลังเพียรเพื่อให้อกุศลมันเกิดขึ้น เรากำลังรักษาอากุศลที่เกิดขึ้นอยู่เรากำลังตัดเส้นทางของกุศลเรากำลังป้องกันกุศลที่จะเกิดไม่ให้มันเกิดเส้นทางมันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาอย่างนี้ในครอบครัวแต่เราอยู่ในฐานะแม่ในฐานะภรรยาในฐานะลูกหรือฐานะใดก็ตามรถดตรวจสอบดู ว่าความสัมพันธภาพระหว่างเรากับคนในครอบครัวทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันตัวนี้มันเกิดการกระทบกันแล้วเนี่ยมันมีความมันมีการอดทนเพื่อความสุขของกันและกันอยู่ไหมมันมีการอภัยเกิดขึ้นแบบแบบเด็ดขาดไหมหรือมันมีอะไรมีอะไรหถ้ามันพอเจอหน้ากันหรือต้องทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมัน อึดอัดมันมีความทุกข์มันไม่มีความสุขมันจะทำอะไรให้แก่กันแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดไปหมดอ่ะถ้าอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าการกระทบของเรามีปัญหาปัญหามีที่ไหนที่สติสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเราเห็นปั๊บกระทบปั๊บเราอ่านชัดเจนว่า แม่เราเป็นอย่างนี้เพื่อนเราเป็นอย่างนี้พี่เราเป็นอย่างนี้ลูกน้องเราเป็นอย่างนี้พ่อเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอารู้แล้วก็ถอยออกมาแล้วตั้งท่าทีตัวเองไว้ถูกตั้งตั้งตั้งท่าทีตัวเองไว้ถูกไม่ปล่อยให้มันเกิดการหูดหงิดอุ่นงานคุนเครืองถ้าเปล่าขึ้นมาอย่างนี้ได้แสดงว่าวัานนั้นเป็นไงสติสมธิของเราเบิกบาน เวลามันเบิกบานมันต้องวัดตรงสติสมาธินะถ้าตรงนี้มันไม่เบิกบานนะเฉาทั้งวันน่ะมันจะเฉาทั้งวันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติวัดชัดกันตรงนี้นะวัดชัดตรงนี้อย่าไปพูดถึงแต่เรื่องว่าปสวรรค์นิพพานอย่างเดียวเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงปัจจุบันนี้ก่อนเอาให้มันแก้ให้มันตกปล่อยให้มันได้สบายสบายสบาย ลับรองทุกอย่างก็จะดีขึ้นลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นความจริงมันเป็นเหตุที่ถูกต้องเหตุที่ถูกต้องย่อมให้ผลที่ถูกต้องเอาละตา น, นีกับสิเวทนาฬิกา